อ, อาจายายนทั้งหลายวันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการเจริญกรรมฐานในเดือนกันยายนสําหรับการเจริญกรรมฐานโดยทั่ ว, วไปอันดับแรกเหมือนกันทั้งหมดทุกหมวดจะต้องทําเหมือนกันนั่นก็คือหนึ่งไปลืมความตายในการทีสองมีศรัทธาในพ ร, ระพุทธเจ้าพระธรรมในพระอริยสง์ แปยการที่สามมีสินค้าในกำบดสิบริสุทธิ์และแปการที่สี่หวังที่ผ่านไปที่ไปอย่างนี้ต้องขึ้นต้นเหมือนกันแต่เป็นหลักสูตร่รรมดาแต่พุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติเสมอทุกวันที่กล่าวมานี้เป็นอารมณ์อารมณ์คือตื่นขึ้นเช้าให้มีความรู้สึกว่าความตายเป็นของไม่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 ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีควระจะการที่เราจะบูชาไหมคําว่าบูชาแปลว่าการยอมรับนับถือบูชาไม่จช่ไม้ตกดอกไม้พวกเพลินเสมอไปไม่มีดอกไม้พวกเพลินก็ไม่เป็นไรดอกไม้พวกเพลินเป็นอามิสบูชาแต่ว่าคำว่าบูชาในที่นี้หมายถึงปฏิบัติบูชา ถารยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วปฏิบัติตามคำสั่งสอนของทาง่านหลังจากในะมาธิจรณาสิ่งก็กรหนบทสิ็จิ้นห้ากำหนดเสท็จที่มีความสำคัญทระองค์คุณของพระโสดาบันสิ้นห้ากำหนดขอรมสิทธิว่าทางกายก็คืนเลงทางกายและกรรม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักสัพว์ไม่พึ่งพในการไม่ดึงดูดราเมีไรให้ทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พิพาชาวบ้านไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทานไม่คิดประทุษรายใครและก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนคําสอนของพระองค์ ถ้าจิตใจทรงตัวอยู่แบบนี้ก็ถือว่าท่านหลายมีทั้งสินห้ากับบทสิบครบถ้วนถ้าทำได้แล้สามรการนี้แล้วมีจิตของมนิพพานไปที่ไปเป่พิเศษถ้าทำได้อย่างนี้จิตทรงตัวแบบนี้ขึ้นชื่อว่าอาบายปุ่มไม่มีกับท่านต่อไปการทำบาปมาแต่ในการก่อนจะบาปประเทศไหนบ้างขอตาม บาททั้งหมดไม่มีโอกาสนำเราไปลงโทษได้คือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตการสุนทย์เป็นสติฉานไดอีกจะมีทางไปทางเดียวคือสู่สุภติสวรรค์บ้างตุ้มโลกบ้างและนไม่านเรียกว่ากันถึงอารมณ์ต่อไปก็วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติพระบรรดาธรรมพุทธวิสัชนดับแรกให้เข้าใจใ น, นิวรณ์ห้าก่อน เพราะว่านิวนรณ์5รายการเป็นเครื่องกั้นความดีที่พระเจ้าทรงแปลว่านิวรณ์คือกิเลสยาที่ทําปัญญาให้ถอยหลังในกระหมายความบาสนิวรณ์ทั้งครอบกลุมใจเราก็เป็นคนไร้ปัญญาการจเจริญกัมภันเพื่อมรดกผลต้องมีสามรการร่วมกันคือมีศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราเป็นคนไร้ปัญญาผลต่างๆก็จะไม่เกิด ที่วอน้าพรายการต้องไม่สนใจในมันที่วอน้าประยการก็คือหนึ่งการมฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกิ่นของรสอร่อยสัมผัสระหว่างตีและข้อที่สองอารมณ์ไม่พอใจข้อที่สาความว่วงข้อที่4ีฟุ้งซ่านเหลวไหลเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลกา ร, รปฏิบัติ ขณะที่ภาวนาอยู่หรือเจริญกรรมาฐานอยู่ก็จงอย่าให้นิวรนหา้ามแต่การในเรับปวดใจมันก็ต้องมีปั้งของธรรมดาจะมีปัง้งก็พยายามหรอกในเมื่อเลิกกรรมาฐานแล้วนิวรอยกรนใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเวลาที่เลำซ้ำทำสมาธิจิตต้องไม่ยอมนิวรนโกรนใจถ้าขณะใดนิวรนโกรนใจให้ทราบว่าเวลานั้นจิตเราไม่มีสมาธิ สมาี่ไม่มีแน่นิวร์เป็นตัวกิเลสหยาตบกิเลกเขาแทรกใจขนาดใดที่นิวร์ไม่กลัวใจขนาดนาั้นจิตเป็นปฐมฌานเป็นอย่างต่ำรวมความบ้าเรื่องของนิวร์เราฆ่าไม่ตายจะตายต่อเมื่อเราถึงอน า, นาคามีนิวรณ์ข้อหนึ่งกับข้อสองจะตายก็เหลืออีกสามข้อมีสามข้อต้งฆ่าในอันตรปน ในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามียังไม่เป็นพระรหันก็พยายามระงับชั่วคราวราวิธีระงับพีบอยก็คือว่าไม่สนใจกับพีบอยในความจริงทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เราไม่สนใจกับมันมันก็สนใจกับเราเป็นของธรรมาดาอันดับแรกวิธีจะไม่สนใจก็รู้ลมให้ใจเขาออกอันนี้ต้องทำเหมือนกันอย่าโยมจะเป็นกองไหนก็ตามต้อขึ้นตนน้นในลมให้ใจเขาออกเหมือนกัน ต้องรู้อดิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเ้าออกเวลาให้ใจเข้าสั้นขณะนั้ร้ายใจเข้ารู้สึกว่าใจเข้าให้ใจยาวรู้สึกว่าให้ใจยาว <c oughs> ให้ใจเข้าสั้นให้ยาวออกสั้นให้ยาวแล้วก็สาบอย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นเป็นสมาธิเบื้องต้นจะทรงตัวไม่นานเร <c oughs> ารู้ลมเข้าเรารู้ลมออกถ้าภาวนา การภาวนาทีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกลางคืนไปนสู่คาบิปสัสสโกท่านี้สอนในหนวดสุขาบิสุขวิปสัสสโกนี่คำาวนาเรสู่คาบิสโกเบื้องต้นไม่จำกัดแต่ตอนกลางก็จํากัดเหมือนกันตอนกลางกตอนปลายที่จากัดในเบื้องต้นถ้าจะภาวนาว่าอยังไงก็ได้ขัพพุโทโธก็ได้สัมมาหลังก็ได้ทปิสุกโตก็ได้ หรือว่าอย่างที่ญาติโยมปฏิบัติยุกหนออ้องหนอ่อก็ใช้ได้ไม่ภาวนาจะรู้ลมเข้าเราบอกใช้ได้กลวงความว่าคำภาวนานี้ไม่จากัดถ้าไม่ชินมาก่อนขอให้ใช้ธรรมนาว่าพโทโธแต่ว่าถ้าค่องแบบไหนก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช้แบบนั้นเป็นปกติ <c oughs> ถ้าขณะใดจิตใจรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกรู้คำภาวนาเวลานั้นจิตว่างจะมีผล ในเมื่อจิตว่างใจนิวรณ์อันดับแรกก็เป็นโอาก็เป็นปฐมฌานแต่ว่าขณะที่จิตบ้างจะว่างไม่นานสักประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์พุ่งซ่านก็เข้ามาก่อกวนถ้าอารมณ์พุ่งซ้านเข้ามาก่อกวนเพราะแต่วันนิวรณ์เริ่มปนใจอันนี้เป็นของธรรมาดาไม่ก็ซ่านไปพักหนึ่งถ้าเรารู้ตัวขึ้นมาวันวนิวรณ์เราแสก็เริ่มรับตัวเราไม่ใจใหม่ภาวนาใหม่ต่อไปต้องทําแบบนี้นะ ไม่ใช่าก็ชนะอิบอลได้ทันทีทนันใดแต่เมื่อขนาดใดเราเผลอมันก็ย่องมาตอดใจตัวของธรรมดาได้ปติใหม่รถขับมันใหม่อันนี่เป็นระยะเบื้องต้นขอทุกคนต้องทำตามนี้แต่สำหรับตอนนี้ไปก็จะขอเข้าบมกรรมฐานก็รมฐาน ท, ที่แนะนำในมหาติทานสูตรก็ถือว่าจบไปแล้ว วันนี้ก็ขอแนะนำหมวดทุกกระสินดีไม่ดีทุกคนเกิดเอตได้และแย่แต่ต้องวงลังคาพังหมดเนี่ยจะออกพร้อมกันนะต้องเติมก็ดันลัคาขึานไปฮนะวันนี้ก็ต่อ น, นี้ไปก็จะแนะนําเรื่องกระสินคําว่ากระสินมีหลายคนคิดว่าเป็นอวรฐานที่มีความสาคัญเป็นไปเสกแต่ความจริงแล้วไม่จริงเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดา เป็นกรรมฐานที่ทรงสมาธิธรรมดาแต่ว่าถ้าเขาจะคต้องการฝึกเปวิโชไดชนะเป็นโยวิชาสานก็ดีอภเป็นเช่นนี้วิชาสานก็เดียปัญญาหก็ดีต้องอาศัยก็ยสิ่ถ้าไม่อาศัยก็ยสิ่วิชาสานก็เกิดไปได้ปัญญาก็เกิด ไ, ไ, ดไม่ได้เหมือนกันอย่าถือว่าดีเป็นเบสิกก็ได้ แต่พว่าจะถือมีความสาคัญยิ่งกว่ากรรมฐานกองอื่นนี่ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมฐานทรงสมาธิเช่นเดียวกันแต่ว่ากสินเป็นกรรมฐานที่ทําง่ายง่ายกว่ากรรมฐานกองอื่นเพราะเป็นกรรมฐานยากกรรมฐานกองอื่นทําเฉพาะอารมณ์เราไม่มีเป้าหมายเป็นตัวยึดสําหรับกระสินนี่มีนิมิตเป็นตัวยึดมีภาพเป็นตัวยึด เราจิตจับภาพพระจิทรงตัวในภาพจะเป็นกรรมฐานยากกว่าจึงได้ฌานเร็วกว่าในการทรงสมาธิได้ดีกว่าถ้าเราสามารถศึกษาเรื่องฤทธิ์เราได้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่ย่าเพิ่แสดงกันนะเอาอย่างนก่อนในตอนต้นในขอ้อแนะนำในด้าสุขสตรีโกจะพูดเรื่องให้เข้าใจเรื่องฤทธิ์บ้างแต่ว่าไม่สอนเรื่องฤทธิ์ ให้เข้าใจรู้จักใช้เฉพาะกสิณกสิณจริงๆมีสิบอย่างไม่ขอบอกในะทีนเสียเวลาเปล่าวันนี้ก็เอากรรมสกสิณต้นคือปัทวีกสิณปัทวีกสิณในหมายถึงดูดิ น, ม, ดน ม, มีดินเป็นเครื่องหมายมีดินเป็นนิมิตรถ้าเขาจะใช้ดิบเขาจะใช้เข้าปัทวีกสิณนี่และอธิษฐานขออ่อนให้แข็ง อย่าอากาศ อ, อ่ อ, อนๆเนี่ที่ฐานไปว่าในาเมื่อเท้าเข้ามาเจ้าเหยียบไปตรงไหนข้อากาศตรงนั้นจงแข็งบนดินอากาศตรงนั้นอยากแข็งบนดินเราเดินอากาศได้ที่ไม่ใช่หอบต้องเดินถ้าเดินไม่ใช่วา่าอยู่ถ้าหอบก็ไม่ใ่วาอยู่เราสิ่งทีเทียก็สิ่งเฉพาะนั้นนะแต่ว่าการแสดงนิสได้กระถิ่งกองสองกองแสดงไม่ได้ฝึกไม่ได้ต้องได้ทรบสิบกองที่บอกให้ทราิแกนี้นะ หรือว่าใครจะลองลงน้ำบ้างโดยชาติลงน้ำไหมนะอะ่าวางไม่ถัวแบบหลวงพ่ออะไรกันเนะีอย่าลืมนะครูม่ถัวไปแล้วลูกศิษย์มิถุนนะ <c oughs> ถ้าอธิษฐานน้ําให้แข็งก็ได้ต้องอธิษฐานเฉพาะจุดอย่าไปฐานว่าน้ําทั้งหมดจงแข็งอธิษฐานไม่แข็งเื <c oughs> ่อเสียการเจลาจอยครับทางน้ําตอนฐานเฉพาะว่นน้ําที่พระบเจ้าจะเหยียบไปนี่ขอจงแข็งแน่มันจะแข็ง แต่ว่าการแสดงนิ้ประโยชน์น้อยของเวลาที่เราจะ ม, มารูกมรรคผลถ้าขอย้อนมาถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติในกระสินเป็นของง่ายไม่ยากทําได้ง่ายๆแล้วก็ได้ง่ายโดยถ้ามีความเข้าใจไม่ท้อถอยนะไม่ต้องขยันมากเกินไปใช้เวลาตามสมควรถ้ามาถามทุกองจะมีการเ ห, เหมือนกันหมดคือถ้ารมเครียดขึ้นมา หรือว่าจิตฟุง้งซ่านมากเขินไปตอนนั้นต้องเลิกอย่าฝืนเอาแค่พอจิตสบายกับสิ่งนั้นเดียวกระสิงดินปฐวีกรสินก็ะเพ่งดินงั่นดินตามแบบถ้าบ่อยทําสะดึงกว้างตอนนั้นยาวตอนนี้แต่ความจริงวิธีปฏิบัติไม่มีความจําเป็นเท่าที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วนี่ไม่จําเป็นและตามอธิกะถาจารย์ในเขียนว่าตว่าตอนใช้ดินเสียร่นอันนี้ก็ไม่จําเป็นเหมือนกัน ถ้าถืนหาหาดินเสียรุนหาไม่ได้เลยไม่ต้องพันกระสีกันเวลาดีรับปฏิบัติจริงครับคว้าดินมาก้อนหนึ่งก้อนโตตามที่เขาต้องการเอาตามนี้นะเอาแบบปฏิบัติจริงจริงกันแล้วก็ดินมาวางข้างหน้าจะไปวางบนหน้านะวางข้างนาใช่ไหมทําโต๊ะหรือตังเข้าดินวางแล้วก็เลืมตาดูดิน เริมตาเพื่อจะจำภาพดินว่าจะปั้นกลมแล้วไปแล้วแบนแล้วรีแล้วเรียวแล้วยาวแล้วก็ช่างเกตพัน้นตาเริมตาดูดินตั้งใจจำดินตามภาษาบาลีจบอกแล้วก็หลับตาภาวนาว่าปฐวีกสินังแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่านแปลว่าดินดินดินเฉยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกชายในพระลูกชายในช่างทองให้ดูกระสินชีแดง แต่ว่ากระสินสีแดงแล้วแต่ภาษาบีเราโราิตากสินังเท่ากับสินชีแดงแต่ก็แปลภาษาทไทยว่าชีแดงชีแดงนั้นในใจว่าชีแดงเอาตามแบบให้เรากันนะ mm hmm. เมื่อนําดินมาตั้งไว้ข้างนาลืมตาดูดินลืมตาดูเฉพาะดินอย่าสนใจอย่างอื่นนอกจากก้อนดินที่เราตั้งไว้ได้ก็นึกในใจว่าปะทวีกระสิ น, นังปะทวีกสิ น, นัง จำภาพดินจยตาณภาวนาจนท่าลืมภาพดินแ้าภาพดินมันต้องลืมแน่ั้งบตานั้นก็หลับการนึกถึงภาพดินก้อนนั้นมา น, นึกถึงภาพดินก้อนนั้นก็ภาวนาว่าปะเทวีกบสินนางปะเทวีกสินนางสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพดินจะเลือนไปจากใจในเมื่อภาพดินเลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ ลืมตาดูแลก็ภาวนาตา่นั้นแล้วก็หลับตาได้เพียงภาพจินทําทแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาพอเห็นถึงเวลาสมควรตามบทีที่พระเปิดบัดกันในใจประชาชนไม่ก่อนเขาทาแบบนี้นะเอาก้อนดินใส่ที่ตั้งที่ต่างก็ได้โต๊ะก็ะดาตามชอบใจไว้นอกห้องคือหน้าบุติีแล้วก็จับภาพตาที่กล่าวมาแล้วมาดูไปมั่งดืมตาเมื่อภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ ด่าเริ่มตาจําได้และประลับตาน้นทึงภาพดินใหม่ทาอย่างนี้พอสบายใจก็ในตัวเองก็ลบกแจกที่ได้เข้าทินนอนท่านี้ไม่ต้องมีดินดไป็ที่หมายนึกทึงภาพดินนั้นจะภาวนาว่าปัจจุบัะสิ้นแ้วพอจิตใจเริ่มพุ่งช้าในโรงเพศเหนื่อยเลิกอย่าฝืนพอใจดีใหม่เน้นใหม่ถ้าบังเอิญ น, นึกไปนึกมาห่างดินจําเกิดภาพดินหายอีกนึกไปออก ก็กลับไปนั่งข้างดินใหม่ทำแบบในสลัด ก, กไปแต่แยาฝืนเราจะขยันมากเกินไปเนะถ้ามันเพียเกินไปต้องเลิกหรือว่านอนต้องเลิกนอนเสียอยาฝืนทำอย่างนี้เป็นแค่สองสามวันที่หลังก็ไม่ต้องใช้ดินจะไปนั่งที่ไหนเฉพาะเป็นพระเดินไปวิธาบายก็ดีจะทำวัดสดมันก็ตามอะไรก็ตามภาพดินจะจับอยู่ที่ใจตลอดเวลา ว่าใ จ, จนึกถึงดินนะไม่ใช่ภาพเั็นลอยนะ่ะใจนึกถึงภาพดินแต่เวลาเวลาสดมุนภาพดินก็ปรากฏในใจเวลาเดวเมมจะบาดภาพดินก็ปรากฏในใ จ, จก็ไเดเมต่าก็ตามภาพดินก็ปรากฏนึกถึงภาพดินมาลายหินชัดทุกทีนึกเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่ใจคิดเป็นทิดเอาแค่นึกเห็นอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์นิมิตเบื้อตน้นเริ่มจะดี ถ้าเข้าถึงตอนนี้กำลังสมาธิจะเริ่มมีกำลังสูงขึ้นการทรงสมาธิจะเริ่มนานขึ้นหน่อยแต่ยังไม่นานมากนักขณะที่เห็นภาพดินขึ้นมาถ้า ต, ต่อมาถ้ามีอารมณ์แทรกมันต้องแทรกแรงดีบอลต้องเอากันแน่แทรกพอดีจิตคิดเรื่องอื่นเพื่อ ม, มาแทนก็ปไปตัดกลับจับลมหายใจใหม่แล้วเลื่อนภาพดินใหม่ถ้าในการบางเอิญหลายๆครั้งมันเฟือก็ไปดูดินใหม่ ทำแบบนี้จนท่านกิดท่งตัวนี่จะนึกอะไรจีเก็นภาพดินเหมือนนั้นยามนี้นที่อกาสนิมิตทรงตัวเรื่องต้นท่งตัวโอกาสนิมิตครว่นิมิตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยต่อไปแค่กําลังสมาธิสูงขึ้นกําลังพลินิวอนอ่อนลงสมาธิทรงตัวเจ็บเรียกมาภาพนิมิต ด, ดินเนี่ยกลายสี สจะเริ่มกลายจะกลายจากภาพดิมค่อยๆเหลืองมาเรื้อยน้อ ย, อยเหลืองทีเดียวไม่หมดก่อนเหลืองทีนิดๆหน่อยบางทีสองสามวันที่ยังไม่หมดก่อนภาพเหลืองชัดในเมื่อเป็นภาพเหลืองชัดขึมาทีอุณหภูิมิเริ่มก้าวเข้าไปสู่อันดับสูงขึ้นต่อไปได้กกาลังใจสูงกว่านั้นภาพมิมิคที่เหลืองจะ ก, กลายเป็นค่อยๆขาว พอไ้ขาวจัลลิมก็มาเรื่อยกมาเรื่อยก็มาเรื่อยมาจนทั้ ง, า ง, างขาวหมดแต่ก็ยังขาวไม่สะอาดนะักถือว่าโอกาสี้มีขั้นที่สามเกิดขึ้นแล้วในหลายชั้นนะต่อมาต่อมาในเมื่อเราไม่ทิ้งปฏิบัติด้ว่อยจิตจรลลิมนั้ว่าปฏิบัติแค่สบายจิต ท, ทรงตัวมากขึ้นสมาธิดีขึ้นภาพเสียสสีที่ขาวจัลลิมจะขาวมากขึ้นยังถึงถึงขาวสะอาดที่สดุด แต่กําลังก้อนสีขาวจะเท่าดินเดิมอย่างนี้ผิวกําลังอุอาจอารัสมาธิรปรตัตาวีกสินดีมากขึ้นแล้วแต่ยังดีไม่พอยังไม่เต็กําลังกว่าดีมิตรต่อไปจับภาพสีขาวมาจดถ้ามันมีการทรงตัวบางทีก็ดำไปบ้ า, บางบางทีก็เฟือไปบ้างจับการกําลังข้อจิตฝึกกระสินไม่ดีถ้าสีมัวลงไปเลื่องเปลี่ยนแปลงในทางที่บังทีสแสดงจิตกันเวลาในั้นองเราไม่ดี ให้เริ่มต้นวางอารมณ์เสียก่อนทิ้งกัสินนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก่อนนึกถึงความดีพรธเจ้าก็ทําพระอเยสงนึกถึงศีลบ่ให้บริสุทธิ์แล้วก็หลังจางนั้นก็นึกถึงโฉมหน้าเขานี่บ่อนพระเจ้าตัวร้ายห้าตัวในคนใจชั้นเนึกต่อไปว่าถ้าเรียนเกิดจุดเพียงใดความประ่อเบี่ยงใบใจเกิดในวัฏจัก็ยังมีอารมณ์ทรงตัวก็ไม่มีอย่างนี้ เรารมณ์สัวเตาทรงตัวมั่งในสัวทรงตัวมั่งมาเกิดเราก็มีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการการเกิดจากนี้อีกเราต้องกา ร, รามิตรานุใจคามสบายจะจับกระสินใหม่คลี่ขาวจ้องมันยังขาวสะอาดดีกายขาวสะอาดที่มากขาวที่สุดสวยมากแต่อย่างดีไม่พอยังไม่เต็มกาลังอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อกําลังสูงขึ้นเรานึกในใจว่านิมิต ของก็สินนิตจงใหญ่ขึ้นมาก็จะใหญ่ตามใจเราเนี่ให้ใหญ่ขนาดไหนพาดมิตก็ใหญ่ขนาดนั้นต้องการให้เล็กค่อยๆเล็กลงมไปก็ค่อยๆเล็กรลมไปจนกว่าเราจะบอกว่าหยุดเลิกเล็กต่อไปอยู่ขึ้นสูงบนเหนือที่สัตว์พาดมิตก็ขึ้นไปสูงให้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวาเป็นไปตามเราชอบอย่างนี้เิวว่าเป็น อ, อ ก, อกาสที่มิเต็มอัตรา นแค่หัวในมิตรเมืกีชั้นเรี่ยจำไม่ได้ทั่วไปเต็มมตราจึตแต่ยังไม่เป็นที่นะยังไม่เป็นที่เพราะสิ่งถ้าภาพในมิตเต็มอตรายขนาดนี้พระอุปาหานิมิตเราสามารถฝึกทิพยุูญาณได้วิชาสามเราจับภาพเกิดสิ่งได้ชัดเจนตามกําลังหลังจากนั้นถ้าเราคิดอยากเห็นนรกคุมไหนเห็นทั้งหมด อธิฐานเกิดมาขอภาพกสินจะหายไปภาพนรกจึงเกิดขึ้นอะไรก็ตามได้เหมืนอนกันหมดรัตราเด็จฐานจะเห็นชัดเจนแจ่มใสแท่ก้กสินแต่ก็ก็ถือว่ายังดีไม่พออุปจาระสมาธิอุปจาระฌานอุปจารสมาอุปจาระนิมิตเป็นอุปจาระสมาธิเป็นอุปจาระฌานยังไม่ถึงฌานจะเริ่มภาพขาวใสสวย ใหญ่ได้เล็กได้อยู่สูงได้ต่ำได้ทำนาได้ทางหลังได้ท่น า, ทานจึงคล่องต่อยคล่องจริงจริงนิพพักเป็นไปตามเราต้องการทำดีกันใดอย่างนี้เพียปโอกาสนิมิตเต็มที่กิเธอทรงตัวจะมีลมสบายนิวรณ์จะกวนใจยากการทรงสมาที่เจริดีถ้าพระได้พลาดขนาดนี้ท่านสุดมโนยิปิได้แล้วนะใจใช้ทิคุณยานได้ดีมาก แล้วก็จะทรงกําลังจะทรงเวลาตามความต้องการนี่เป็นพื้นฐานใหญ่แต่ว่าความจริงมโนทิฏฐิเป็นผลขอก็ะสิอยู่แล้วนะเราฝึกกระสินไปเป็นช่วยกําลังกระสินเป็นตัวต้นมโนทิฏฐิเป็นผลเราได้ผลแล้วเดี๋ยวเรากลมาฝึกต้นใหม่เพื่อการทรงภาทรงสมาธิให้มีจำลังสูงขึ้นต่อไปจะความเสถียรความสวยความขาวของนิมิตจะเริ่มขยายตัวเราไม่เลิก ก็ยังไม่เลิกความขาวจะเริ่มใสเป็นแก้วจะใสขึ้นมาทีละหน่อยจะหน่อยะอะไจนทั้งใสเป็นแก้วทั้งตัวจะไปรีบร้อนนะเจ้าวันเดียวเสียดตามนี้จะไม่ได้ผลสุดใสเป็นแก้วทั้งวงใสามากไหมแก้วะสะอาดดีแล้วเจ้าใสต้องการเเกกในไล็ก็ได้ใหญ่เขาได้โตขนาดไหนก็ตามก็ได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อุปจารสมาธิเป็นปฐมฌาน แต่ขณะนั้นเราต้องสังเกตวันหนึ่งวิตกเรายังมีสังวิจาร์มีปีติมีสุขมีเอเกาตามีพวกตอนนี้เลยไม่รู้เรื่องเลยใชงไหมคำ <c oughs> ว่ า, ามัฏฏชามีองค์ห้าวิตกวิตกก็คือนึกนึกเรานึกว่าจะดู้าพสินนึกจะรู้ลมหายใจเขาออกรู้ใจเขาออกทิงไม่ได้นะถ้าที้งลมหายใจเขาออกเหลวหมด เนึกว่าจะรู้ลมหายใจเรารออกอย่างนี้เท่าไรทีตกวิจัยย์หมายความรู้ภาพกระสินเห็นชัดไหมตามต้องการตัวภาวนาชัดเจนจ่มใสไหมลมหายใจรู้ลมใจเข้าหลืออกไหมนีม่ต้อโจววิจารย์ถ้าอ่านาเฉยเฉยจะไม่เข้าใจปีติในเมื่อภาพกระสินเกิดขึ้นเรามีความอิ่มใจและมีความเพื่ดใจนีนคือตัวปีติในเมื่อ พิธีเกิดขึ้นผ้าประสิญสวยขึ้นจิตมีความสุขนี่เพิ่ความสุขต่อไปก็เอกราตอารงจิตรักผ้าประสิญจดเดียวไม่คิดอัเรื่อไม่คิดเรื่องอืน่นขนาดใจที่ไม่คิดเรื่องอื่นพอใจเฉพาะผ้าประสิญอ่นัจจนนน้นเวลานั้นเป็เอกราตารม์แต่เอกราตารมก็เป็นขั้นอุปจาระสมาธิอัปนานัมสมาธิอัปนานัสมาธิก็คือปฐมฌานนี่เราพูดไปถึงสีใสเรื่องสมุทธฌานแล้วนะ แต่ลมห้าอย่างรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ยังรู้ภาวนาก็ยังภาวนาอย่าเห็นไม่ต้องพูดกันอย่านีเป็นมาถมไม่ชานถ้าภาวนาไปด้วยรู้ลมไม่ใจเขาออกไปด้วยจับภาพเมืกินไม่ด้วยนำมาเข้าภาวนาหยุดเฉยๆภาวนาหายไปลมไม่ใจเขาออกจิตก็เริ่มไม่สนใจแต่ว่าความมันก็ยังห้ยใจอยู่ตอนนี้จัดว่าเป็นฌานที่สอง เนีต่อไปต่อทานทานที่สองเนหลือปีติกับสุขเอกราตตาสามอย่างต่อไปตัวปีติความอิ่มใจหายไปเหลือแต่ตัวสุขเยือเดียตัวเดียวกับเอกธาตารูก็จะนนแน่วดิจแน่แน่รักในภาพกุิลทร ง, งตัวมากเห็นภาพกุศลสวยสดงามไม่นิดถึงอะไรหมดจิตวายเฉยมีความสุขสดชื่น ถ, ถ้าภาพกิศลมาชัดเจนแจ่มใสมากอย่างนี้เป็นฌานที่สาม ทางน้สานให้เสกเกตว่าร่างกายนั่งเฉยๆมันจะมีการเคลียดเหมือนกับเาราไฮมัดให้ตัวตึงและหูยินเสียงเบาลงต่อไปไปถึงชยัยสี่ภาคเสินงที่แทาใสสะอาดมากแล้วก็อารมณ์จะตัดลมให้ใจเข้าออกจะไม่รู้สึกว่าให้ใจเข้าใจออกหูจะไม่ได้เสียงอะไรเลยนั่นหมายความว่า มื่เสียงตัวศัพท์ก็ดีเสียงผุเสียงอะไรก็ตามเมื่อเสียงผูนใหญ่เร า, าตามจุดยิงใกล้ในจุดไกลเราจะไม่ได้ยินในจุดตั้นปัญญาของชานนิสีถ้าเข้าเชินฌานนิสีนีแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเข้าฝึกกับปัญญาต่อไปแต่ไม่ต้องฝึกนะักเวลามันจะหมดทดลองความว่าพระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทการที่จะฝึกกับศีลที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งสิบกับศีล น, นะ แล้วก็บันรดาญาติโยมทุกคนก็ไม่จํากัดไม่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ปฏิบีเกิีไม่ต้นไปถ้าจบสิกธิเกษีแล้วชอบใจเราสินไหนทนได้เลยสาหรับปฏิบีเราสินไม่ได้ทุกเขาเรียกว่าทุกเจริญเจริญอะไก็ทําได้ไม่ใัดข้องปเป็นเีษีกลางนี่กรรมฐานกลางตอนนี้ได้เมื่อเราได้ฌานสีลแล้วถ้าเราฝึกในด้านสุขขับไปจะโก้ก็ฝึกวิปัชนายานไปในตัวโดวยไม่ต้องหาอะไรมาเอานี้นิเกษีเป็นนิวิปัชนายาน ขณาดใดที่เราภาคตสิงทรงตัวอยู่มันจะสงไม่นานนะักขนาดนั้นเป็นสมถภาวนาขนาดใดที่จิกเสื่องนิดหนึ่งภาคกสิงหายไปแล้วก็คิดว่าชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเช่นภาคตัวสิง น, นี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมในทัามกลางมีการสลายตัวในที่สุดมาแก่ น, นิจังทุกหนาฐาฐา้าตาสักทีตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณเพื่อจับตามนี้ก็แล้วกันนะกลัความว่าเวลามันก็จะหมดหรือเวลาขึ้นมาที ก็ขอสูว่าวันนี้ขอแนะนําเรื่องเาสิ่งเจ้ามรนดาท่านพุทธบริษัทขอจงนําไปปฏิบัติเพื่อกําลังของสุขภัณฑ์โกและเรื่องจะฝวกเรื่องฤทธิ์ตามจริงเขาไม่อยากจะค้านแต่ว่าขอแนะนําว่าทวงเวลาบรรลุมรรคแต่ว่าใครจะลองก็ะดัยนี่มาจบสิบกระสิแล้วจะแนะนําให้นะฝึกขอก็ได้นะ ถ้าถึงวายโยถึงก็ฝึกหอดเหาลงก่อนขึ้นแล้วกระโดดลงใช่ไหมเอออันดับแรกเนี่กลุ่มข่าวว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธมณฑกจะแนะนำกระหมดแที่ยวจานี้พระหมดเวลาม ด, ดีตอนที่ไปขบบรรดาท่านหลายตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานและกรรมฐาน โยนโสภวารัสมสมุทโว้ยะวารัตคตูจีนะภะวะจันทมตัวาตูีนะภะวจันทมุนตปาตโนยัภวตูสะภกังโคนุปิปโน อาเมียงพะวันังชาธรรมังสังขังอาะวันตังชาธรรมังชสัะมหิสกหิยะธาังอะิเตหิอะพิโกยามะเหิสิกาเรหิยะธา ปันตีตกวาสุจิรริวันปีปันตีตะโวาสุจิร <t ell> ิโวนมาฉันตตาุกัมมานสนาฉันตะตาลปะนันปีเตตะรือ <t ell> ุกัตตา ธรรมหังดีระตัอิายะสุขายะอะระตังดีตัอิตายะสุขายะุทโภวะรสมุทโภวภวตมิวานีม กัวายคัตุปะาูอิอะะะนมะสมาสุปติปนุะวตสสังอสุปาิปนุปะวายตสาวะกะสัง ตอนนี้ไปพระญาตโยนหลายท่านใจสมาทานถึงแปดนัปโม ต, ตัสมมสะพระครวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธะนัโม ต, ตัสสะพระควะตุอรหะตสัมมาสมัมพุทธะนโมตัสสะะควตรหะตสัมมาสัมพ